จะได้พูดในเรื่องของคำว่าวิญญาณตั้งใจฟังให้ดีจะได้เอาไปปฏิบัติถูกต้องวิญญาณคนเป็นกับวิญญาณคนตายถ้าเราไม่รู้จักวิญญาณของตัวเองมันก็ตายทั้งวันทั้งคืน แล้วก็ตายตลอดชีวิตวิญญาณแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกที่พูดบ่อยๆโูได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือมีหูมีเสียงโสะตะวิญญาณตัวที่สามงั่นคือความรู้สึกทนี้ความรู้สึก มีทั้งหกทางนั่นแหละทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณหกวิญญาณหกปัจจา6หก็อกระทบกันแล้วทาให้เกิดปัจจาร์ยธนาหกว่ามันโง่ก็ทำให้เกิดดวยธานาขึ้นมาเพราะมันไม่รู้จักดับวิญญาณก็เกิดดวยธนาหก เอตนหาหกแล้วก็ตัณหาหกตัณหาคือตัวอยากเพราะวิญญาณตัวนั้นมันระแวงหาที่เกิดแล้วคือตัวอยากตัณหาทางตาทางหูทา ง, ทา ง, ทางจมูกเรื่องกายใจออปาทานหกโอปาทานความยึดมั่นเถือมั่นก็เกิดหกทางเหมือนกันแล้วก็ทุกก็เกิดหกทางนั้นเกิดทุก ทกทางตาทุกทางหูทุกทางจมูกทางเล่นทางกายแล้วไปทางใจทีนี้เรามารู้จักตัววิญญาณตัววิญญาณคือตัวความรู้สึกตัวนี้ความรู้สึกตัวนี้ความรู้สึกที่ประกอบด้วยวิชาเกิดสติปัญญาก็ได้เกิดความรู้สึกโง่คืออวิชาก็ได้มันแยกทางกันที่ตรงนี้แหละ มันแยกทางกันที่พอ เ, เกิดความรู้สึก ข, ขึ้นมาพอ เ, เราสาโรมความโง่เกิดความยึดมั่นถือมั่นมานานมันก็ไปข้าวกลุ่มของอวิชชาหมดไปเป็นเงินยานพอปัจจะเอาไว้ไม่อยู่เวทนาก็เกิดตัณหา การมาตัญหนาภาวะตัญหนาความมีความเป็นเฮ้ยภาวะปะัญหามันรับไม่ได้มันก็อยากตายทีนี้ในเรื่องของวิญญาณวิญญาณคือตัวความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้จักวิญญาณให้รู้จักวิญญาณวิญญาณตัวนี้ คือเราต้องภาวนาให้เห็นว่าวิญญาณนี่เกิดดับแล้วก็ว่างจากกัวตนวิญญาณนี่ว่างจากกัวตนพอ ว, ว่างจากกัวตนคือพอดับแล้วก็ว่างจากกลัวตนนั่นก็จะหมดปัญหามันไม่ต้องเกิดอีกเกิดในปัจจุบันนี่แหละเกิดความรู้สึกกันมานั่นแหละแค่นั้นวิญญาณว่างถ้าวิญญาณจบที่ตรงนี้วิญญาณ น, นั้นก็ว่าง ว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูวิญญาณที่เป็นปัญญานะ่ะว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูทีนี้ถ้าวิญญาณ น, นี้ไม่ว่างเพราะปัญญามันไม่พร้อมปัญญามันไม่พอสติก็ไม่มาวิญญาณตัวความรู้สึกนั้นมันก็เกิดวิญญาณเกิดปัจจาเกิดเวทนา ก็ข้าวไปยธ์มั่นถือมั่นเด่นข้าประยุทธ์มั่นถือมั่นในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นวิญญาณ น, นั้นมันขึ้นสวรรค์ก็ได้ตกนรกก็ได้ได้หมดวิญญาณตัวนั้นแค่นั้นเราต้องระวังวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจภาษาไทยง่ายๆความรู้สึก ไม่ใช่กู้ไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วถ้าภาวนาไปนานๆมันก็จะเกิดปัญญัเกิดปัญญาความรู้สึกไม่ใช่กู้แล้ว เ, เป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับวิญญาณ น, นั้นเนี่ยความรู้สึกนั้นเกิดทางตาก็ดับทางตาง เกิดทางหูทางจมูกเลิ้นกายใจก็ดับทางหูทางจมูกเลิ้นกายใจมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่นี่มันดับไม่จริงเพราะมันมีเชื้อเหลืออยู่มัก็เลยเกิดดับพอเกิดดับจะไปเอาอย่างอื่นอีกอย่างอื่นอีกมันก็เลยเกิดไม่หยุดวิญญาณตัวนั้นมันต้องจัดการทำหมันมันแค่ยายมันเกิดอีก วิญญาณนั้นคือตัวความรู้สึกไอ้ที่มันเป็นกูเพราะไม่ได้ทำามันมันไม่ได้ฆ่ามันให้ตายเราต้องฆ่าวิญญาณตัวนี้ความรู้สึกไม่ใช่กูแล้วก็ว่างว่างเราภาวนาว่าว่างว่างก็คือรูปว่างเวทนาว่างสัญญาว่างสังขารว่างแต่วิญญาณมันไม่ว่าง ตัวความรู้สึกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆมันคล้อยตามไปเรื่อยมันก็เลยว่างไม่ได้เพราะมันปัญญามันไม่พอนี่ความรู้สึกตัวนี้ยตัวํากัญที่จะทําให้เราเกิดอีกนี่คือวิญญาณกลเป็นแต่วิญญาณคนตายนั้นเป็นวิญญาณผีเป็นวิญญาณผี วิญญาณที่จกล่องลอยไม่มีที่ก่อที่ยึดที่อะไรดีไม่ดีพวกเล่นกลไสเล่นอะไรนี่จักไปแล้วก็ไปใช้งานอย่างเนี้ยวิญญาณที่ที่เป็นจิตวิญญาณที่มันไม่ดับแต่เราปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อทําให้วิญญาณตัวนี้มันดับแล้วิญญาณดับแล้วไปไหนวิญญาณดับแล้วมันก็เป็นธรรมชาติ ตามเดิมมันเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนี่วิญญาณคือตัวความรู้สึกตัวนี้เราระวังว่าอย่าให้มันก่อตัวขึ้นมาระวังยังไงระวังเราก็ภาวนาไว้ความรู้สึกไม่ใช่กูหรือความรู้สึกว่างว่างว่างวงวงวงความรู้สึกว่างว่างว่างว่างว่างเวลาเราจะตายนี่เราทำอะไรไม่ได้เลย แต่มีความรู้สึกตัวนี้อยู่มันกลัวตายเราก็ว่างมันกลัวเจ็บมันกลัวแก่มันกลัวแล้วเราก็ว่างเอาว่างตัวว่างนั่นคือตัวปัญญาตัวปัญญาแต่ไม่ที่มันมีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าตรงค้นพบทีนี่คนผ่านแล้วก็ผู้โดว่างก็คือไม่มีอะไรนั่นคือคนผ่านแต่คนฉลาดว่างคือ จิตนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตจิตเองไม่ยึดมั่นจิตคือจิตวิญญาณไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตแล้วก็ไม่ยึดมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจใจก็คือในจิตวิญญาณนั้นนี่ยไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราต้องขยันตอนที่ยังเป็นๆอยู่นี่แหละพอเราเกิดปัญหาขึ้นมาการเจ็บป่วย เราก็จ่ายวิญญาณนี้ความแก่ก็จ่าวิญญาณนี้ความตายก็จ่าวิญญาณนี้สลัดติง้งสลัดติ้งวิญญาณตัวนี้เฮยวิญญาณไม่ใช่กูอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าไปประทับอยู่รุจิโกี่เจตวรภาอนาตาวินิกาเศรษฐี จะเสียชีวิตก็เมียของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีไปในมนพระพุทธเจ้ามาว่ามหมายให้สติแต่เขาให้เป็นเป็นภาษาไทยแบบสันๆตาไม่ใช่เราโอ้ไม่ใช่เราโมกเร่นกายใจไม่ใช่เราเนี่ยให้อนาถาบินฑิกาเศรษฐีเนะี่ย ว, าาว่าตามที่นี้ว่าตามทีนี้อนาถวินิกาเศรษฐีท่านก็เป็นรโศดาบันมาก่อนเพศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากที่นี้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ตอนนั้นถ้าทิ้งวิญญาณคือตัวความรูสร้สึกทิ้งตัวเดียวเือจิตวิญญาณทิ้งได้หมด วิญญาณทางตางทางหูทางจมูกเรื่อกายตึ้งได้หมดตึ้งตัวเดียวนะเพราะวิญญาณนี้เดี๋ไปอยู่ที่ตาเดี๋ยวตอนนี้ก็มาอยู่ที่หูอพอเราสนใจในของเหม็นของหอมเะก็ไปอยู่ที่จมูกอเดี๋ยวพอ ร, รู้จึกอร่อยไม่อร่อยอเป็นเล่นงานเราที่ลิ้นอีกแล้วอสัมผัสนิ่มนวลอ่อนแข็งอไปที่กายอีกแล้วออยู่นิ่งนิ่งนั่งธรมาธิ มันมาเออแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยึดมัน่นถือนั่นโน้นเนี่ยวิญญาณตัวนี้ตั้งนั้นตัวเดียวกันมันก้าวออกก้าวออกก้าวออกอยูอย่างนี้เหมือนลิงที่มันขึ้นต้นไม้มันต้นไม้มีหลายกิ่งกระโดดจากกิ่งนี้ไปกิ่งนั้นกิ่งนั้นไปยึดกิ่งโน้นอยู่อย่างนั้นมันไม่นิ่งมันไม่นิ่ง เอาวิญญาณเกิดวิญญาณขึ้นมาเกิดปัจจายขึ้นมาเวทนาพอใจไม่พอใจนียมันก็ยึดไอ้นี้มันก็ยึดยึดมันเถึงมันอุปาทาน่ะมันจะยึดมันเถองมันพอเกิดอุปาทานน่ยมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเราสังเกต ด, ดู่ะเป็นนั่งสังเกต ด, ดูนะพอเกิดอุปาทานมันก็เป็นพพเป็นชาติชาตินะี่คือครอด คลอดทางใจนั่นแหละไม่ใช่ครอดทางเนื้อทางหนังมันคลอดออกมาทางใจน่ะคลอดทางตาคลอดทางหูกรอดทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ก็คลอดทางใจมันกลอดออกมาคลอดออกมาเพราะว่ามันท้องเป็นพบโอปาทานเย็ดมั่นเถือมันแล้วก็เป็นพบ เป็นพบนั้นมั น, ม, นมันท้องมันแก่ตัวข้าวมันก็คลอดออกมาเดียวก็คลอดเดี๋ยวก็คลอ ด, ดคลอดลอดอกมาเป็นชาติเป็นชาติออกเป็นทุกข์ทันทีเรื่องเดียวออกเป็นทุกข์นต่ที่มันไอเรื่องเดียวนั้นมันหลายหลายครั้งมันคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปนี่เห็ยมาม เนเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระโพธิละพระไบาลานเปล่า่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาคุณไบาลานเปล่าคุณไบาลานเปล่าเนี่ยละอายใจก็เลยไปหาอาจารย์ใครๆก็ไม่กล้าสอนเพราะตัวเองถ้าเป็นพระสมัยนี้ก็เป็นปะเญญาเก้าประโยค เป็นเจา้ากุลไม่มีใครกล้าสอนเราไม่มีใครกล้าสอนเราเลืองไงทีเนี้ยเลืองเลืงพระพุทธเจ้าอ้อันนี้ ใ, ใบลานเปล่าจริงๆไม่มีตัวหนังสือสักตัวหนึ่งเหมือนกับว่าสมุดเล่มหนึ่งไปไหนกันหมดนี่มาตรงนี้มั้งเหรไหนพวกเด็กๆไปไหนหมด ฮัทนี่ดูเอาไม้ท่านโพธิละก็เลยไปไปไปไปเจอเนนนั่นเนนเขาบอกว่าผมจะสอนท่านยังไงเนี่ยท่าน แต่นจบเป็นประเรียนก้าประโยคแล้วก็เป็นเจ้าคุณบอกว่าเอาเลยฉันเชื่อฉันเชื่อเธอเธอจะสอนยังไงก็ได้เ น, นก็บอกว่าลงไปที่ในสาน้ำลงสาน้ำดำหมดลงไปดำปุดขึ้นมาพดขึ้นมาแล้วก็ให้ศึกษาเล้วทีนี้นี่หัวปลวกหัวปลวกมีช่องหกช่อง จ้องหกจ้องนี่เป็นปิิศนาอีกแล้วจ้องตาจ้องหูจ้องจมูกจ้องลิ้นจ้องกายจ้องใจอ๋อท่านจับจะกวดที่อยู่ในหัวปลวกนี้้ได้ดิ้วออกมาฝึกนอนจับได้ยังไงมันมีตั้งหก่องแต่นี้หกช่องนี่ เราจะทํำยังไงเวลาเรานั่งตาก็อย่าไปสนใจอย่ไปสนใจอะไรทางนั้นโอ้ก็ไม่สนใจไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสนใจอย่างเดียวธรรมารมธรรมารมคืออารมณ์ที่เราเอาไปมโมรี่ไว้ในสมองนะั่นแต่พอเรานั่งสมาธิ ความรู้สึกนั่นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกธรรมารมนะแต่มันจะเกิดเกิดแล้วก็ดูธรรมารมณ์ธรรมารมเกิดดับว่างจากตัวตนธรรมารมเกิดดับว่างจากตัวตนพอเกิดเราก็ไม่เอาเกิดก็ไม่เอาเกิดก็ไม่เอาเกิดก็เราก็ดูว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่องนี้เกิดดับเอาเอาปากกาสมะบอวางเอาไว้ เรื่องนี้เกิดดับเอาเขเอาไว้ไม่เอาเรื่องนี้เกิดดับไม่เอาข <informações S 1> ีดเอาไว้ขีดเอาไว้ไขีดเอาไว้ขีดเอาไว้นั่งสิบห้านาทีสามสิบนาทีมันเกิดกี่เรื่องการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดสามสิบเรื่องแต่แล้วก็เอามาวิจัยให้ใจที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยเพราะมันไม่ว่าง ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ก่อนแล้วแต่ว่ายึดมั่นถือมั่นล่วงหน้าในเรื่องเดียวกันนั่นนี่มันเกิดดับเกิดดับนี่เราทํำยังไงให้ตัวความรู้สึกเนี่ยเรามาบีบไอ้ตัวความรู้สึกความรู้สึกนี้ไม่ใจกูความรู้สึกว่างจากตัวตนนี่เพราะมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเนี้ว่างจากตัวตน เราก็ภาวนาแต่ว่าความรู้สึกว่างความรู้สึกว่างความรู้สึกว่างความรู้สึกว่างจะใช้อายตนะส่วนหน่อยส่วนตาส่วนหูส่วนจมูกส่วนลิ้นส่วนกายบีบมันเข้าให้เหลืออยู่ตัวเดียวคือจิตความรู้สึกที่เกิดดับทางจิตแล้วที่นี้จนเรารู้ทางรู้ทางโอ้นี่เราจัดการกับไอ้ตัวนี้แหละตัวความรู้สึกตัวนี้แหละ ให้เป็นความรู้สึกที่ประกอบด้วยปัญญาให้มันเห็นว่าไม่ใจกู้มันว่างจากตัวมันเองแล้วว่างจากสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้มันว่างไม่เอาอะไรรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยนี่รู้ปล่อยใหญ่รู้เก็บรู้แล้วก็ปล่อ ย, ร, อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยนี่พระไพรยะนั่น พระไปยะที่พระพุทธเจ้าดันตรัสน้อยที่สุดเป็นป้าอรหันในทันตีทันใดยนั้นแล้วไปยะเขาเกิดเรียกว่ามีอุปนิสัย ม, มีอุปนิสัยแลย้ทีนี้ก็ในชาติก่อนนู้นขึ้นไปบนภูเขาพระสามรูปไปนอนกันบนยอดเขาคนละยอดคนละยอดคนละยอด ไอ้ที่ขึ้นไม่ได้ก็ต่อบันไดขึ้นไปหรือผ ล, ลักบันไดลงทิ้งเลยตายก็รู้ว่าตายไปจนพระก็จัดการก่อไฟขึ้นไม่ใช่ก่อไฟพิงก่อไฟให้รู้ว่าใครยังอยู่ใครตายแล้วถ้าคไยดับก็แสดงว่าตายแล้วจนพระสามโรมนั้นแสชีวิตหมดะไปเกิดเป็นอะไรอะไร ไปเกิดนะั่นแหจิตวิญญาณนะั่นแหละคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นนอนเขาคิดแต่เรื่องไม่ดีเป็นนอนอยู่ตายห้องซ่ว ม, มในยุคซ่วมสมัยนี้เนะรมมาตัวเมื่อก่อนนู้นคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นอะไรอเกิดเป็นหนอนคนหนึ่งคนหนึ่งก็เกิดเป็นพายะ คนหนึ่งก็เกิดเป็นเทพเป็นเทพคนที่เกิดเป็นเทพนั้นไม่จะจบนะยังไม่จบแต่ว่าสามารถที่จะรู้เรื่องอะไรได้น ค, คนที่เป็นภัยยะเกิดเป็นพ่อค้าก็ไปค้าัาามเพาค้าัมเพาแล้วโดนคลื่นเขาเรือแตกได้เศษไม้กระดานมาก็ามาถึงฝั่ง มาถึงขวางเขาป้าคนไม่ติดเนื้อติดตัวเขาสาหลายมาพันปั น, ปนปันตัวเา่าสมัยนั้นถ้าใครไม่นุ่งผ้าก็เป็นพระอรหันต์เพราะว่ามีรัตที่หน่งรัที่ไม่นุ่งผ้าก็เรียก ว, ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดแม้แต่ผ้านุ่งก็ไม่ยึดมั่นถือไม่ถือมั่นทั้งหมดเขาใจเป็นพระอรหันต์แล้ว ทนี้พระองค์หนึ่งก็เป็นเทพเขาเป็นเทพก็เพราะได้ฌานเนี่ยมีฌานมีฌานสามารถที่จะรู้จะรู้ได้ก็ไปดูเพื่อนที่โอ้เป็นนอนอยู่ไปเกิดที่ไหนกันเนี่ยไปไปดูไปเกิดในห้องท่วมออกมาเด็เพื่อนออกมาออกมาเรื่องอะไรเดี๋ยฉันออก ฉันเป็นเพื่อนแกนะในชาตินั้นอามาฉันอยู่ที่นี้แหละข้าวน้ำส ม, มบูรณ์ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเหนื่อยยากอะไรมีแต่กินลูกเดียวน้ำข้าวของหวานครบบริบูรณ์เ อ, อาอย่างนั้นก็ตามสบายาดู <P? S 1> เพื่อนอีกคนหนึ่งโอ้เคข้าราเพอเรือแตกมาอยู่ที่ส า, าอ่าดื่ม ขวังทะเลอยู่คนก็ไปกรรพนับถือกันโอาหารการกินไปถวายเขาเลยออกมาที่ตรงนั้นก็จํากันตนว่าเป็นผ้าหลานแล้วโลกคนคนโง่ น, น, งนั่นแหละคนโง่นั้นบอกโอ้เนี่ยผ้าหลานเนี่ยผ้าหลานเอาผ้ามาให้ก็ไม่นุ่งถ้านุ่งผ้าก็ไม่มีใครเอาไหมกินนะ่ะ อย่นี้ไม่ต้องมงมผ้าไม่ต้องอร่อยมันอยู่อย่างนั้นโยอย่างนั้นเพื่อนที่เป็นเทพก็มาบอกว่า น, นี่ท่านไม่ได้เป็นพระาอารหันต์หรอกท่านเป็นเพื่อนของผมในชาตินั้นชาตินั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระวาท่านไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระาอารหันต์โน่นไม่ไกลเท่าไหร่ไปจากนี้ เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเองไปหาพระพุทธเจ้าเถอะไปกราบทำจากพระพุทธเจ้าเถอะก็เลยเรียบรีบ เ, รบเดินรีบวิ่งเพราะตอนเช้าพอดีพระพุทธเจ้าก็ออกมาบินาบาบัดพระเเพงก็รู้แล้วว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครเราจะไปโปรดใครเนี่ยมันจะเวบออกมาอย่างนี้เวบออกมาอย่างนี้เหมือนกับ จะเรยกเรื่อว่านังฉายอย่างนั้นเนะี่ยมันออกมาอย่างนั้นนี่พระองค์ก็รู้เอาวันนี้ต้องไปโปรดไฟยะเทนี้เทพนะก็ช่วยด้วยหนิช่วยด้วยก็เดินเดิ น, ดนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, งเดินเดินเหมือนกับเป็นคนนําทางนะเทพนะก็จะนําทางไปให้ไ ป, ไปหาพระพุทธเจ้าพอไปเจอพระพุทธเจ้าบอกอพระเจ้าข้า ข้าพระองค์อยากจะกความความดำจากพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรากำลังบินทบาทอยูอ่ให้เสร็จบินตบาตก่อนเถอพา ย, ย่าก็กล่าวทัดทานว่าชีวิตของพระองค์ของข้าพระองค์นี่อาจจะอยู่ไม่นานแล้วแม้พระองค์จะตรัสจากสองสามคก็ไม่เป็นไรนี่แต่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสก็พระองค์รู้แล้วว่า เรื่องนี้เกิดแน่ในวันนี้องก็ตรัสว่านี่พายะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสที่เกิดดับอารมณ์ที่เกิดก็สักแต่ว่าความรู้สึกที่มันเกิดดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่าอะไรเกิดดับว่าคือความรู้สึก ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้เนี่ยความรู้สึกเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกดดบว้างจาบกวัวตนเกิดดับกว้างจาบกวัวตนอ่าก้าวใจดีนี้รู้จากข้าใจแล้วก็รู้พอรู้ขอบวชพระพุทธเจ้าก็เลยแต่ว่าอ้าเธอต้องไปหาผ้ามาก่อนไปหาผ้าที่กขาติ่งตามกองขยะอะพวกนั้นเออนอนาผ้า หาว่าแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าดมอย่างนี้สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าแม่หัวลูกอ่อนที่คลอดเมื่อคืนน่่มันก็เลยคุกิดปยยาก็ตายที่นั่นเองนี่เป็นประหลานยังไม่ตันบวชกันที่ตันใดนั่นเลย คือจักแต่ว่าจักแต่ว่าจักแต่ว่านี่คือวิญญาณตัวความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดดับแล้วก็ว่างแล้วก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างวงแม้แต่นอนเจ็บก่อนที่จะตายประมันสองนาทีสามนาทีห้านาทีนี่ว่างว่างว่างว่างว่างว่างไม่ให้จิตตัวนั้นกล้าไปมีความรู้สึกว่า ตัวกูให้มีความรู้สึกว่าธรรมชาติถ้าเราพูดได้ยาวออกไปธรรมชาตินั้นว่างจา ก, กัวตนนี่ถ้าจิตเข้าถูอธรรมชาติที่ว่างจา ก, กัวตนก็หมดอะไรที่จะเข้าไปยึดถือแล้วเห็นไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่าง ไม่ข้าไปยึดมันเถอะมันท่านก็เป็นพระอรันในกันทีเตื่นี้ก็ราองก็กลับจากวินฑ บ, บาตมีพระไปรายงานว่าปายะคือพระองค์คงจะพูดให้พระควังให้พระควังม่เลื่อนลาโพงหน่อยมาหายหมดลุกศิษย์ ตังป่งมันก้องได้ยินไหมมันก้องอเบาถย่างลงไปนิดน่งนแหละมันก้องไปทํำอย่างนี้ไ เอาเสียงลงไปนิดหนึ่งเอาแก่นี่เกียร์เอาไว้มันพอดีนะใช่มือนี้ไปทำอย่างมือน้นมาทำอย่างมันไม่ได้นะมันพูดไม่ได้ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องวิญญาณวิญญาณคือตัวความรู้สึก ให้ความรู้สึกตัวนั้นเนี่ยมันดับไปความรู้สึกที่มันไม่ใช่กูความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติถ้ามันเป็นกูมันก็เป็นอวิชชาถา้าไม่ใช่กูก็เป็นความรู้สึกที่เป็นวิชาตัวรู้ตัวสติปัญญาแล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันวิญญาณผีมันก็ดับที่ตรงนี้เลย วิ ญ, ญญาณคนมันก็ดับที่ตรงนี้แหละมันดับที่ตรงนี้หมดอะดับตรงนี้หมดอทีนี้เราก็ค่อยๆดับไปดับไปดับไปภาวนาวไปดับไปจนมันเข้าที่เข้าที่ต่อไปมันเป็นวิญญาณที่มีวิชาวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วรักษาก็รักษากันไปไม่รักษา เขาก็ตายนั่นแหละแต่ว่าไม่ยึดมัน่นเถต่มันมีชิตมีชีวิตอยู่ช่วยเหลือตัวเองในด้านเนื้อหนังช่วยเหลือผู้อื่นผู้ธรรมะให้เขาฟังแกน่นหนังเสือเขาอ่านเรื่องของธรรม ะ, น, ม น, มระ น, นี่มันก็มีประโยชน์แล้วแกนี้มันก็มีประโยชน์แล้วแต่ถ้าเรายังหลง วิญญาณนี่เป็นตัวกูวิญญาณทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันก็ไปเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม์เอามาเป็นของกูหมดเพราะมันเข้าใจผิดเพราะมันไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเกิดอย่างนั้นมันดับอย่างนั้นมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้น ท่นี้เราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติให้มันเห็นจริงมันก็จะช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ช่วยไม่ให้เราแก่ไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราตายไม่ได้นอกจากว่าเราทิ้งวิญญาณคือตัวความรู้สึกนี้ออกไปห่างๆเราแก่มันก็แก่หลวงพ่อถือไม้ตาวสองอันหลวงพ่อไม่ได้เป็นทุกอะไรมัน ไม่ได้เป็นทุกอะไรมันมันแก่ก้มันแก่เรื่องของธรรมชาติมันเป็นไปอย่างนั้นช่วยพยุงได้ก็ดีแต่ว่าเราได้ได้มีเรี่ยวแรงในการช่วยเหลือผู้อื่นยืดออกไปอีกเรากินอาหารให้ร่างกายมันดีขึ้นก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่น อย่าคิดว่าให้มันได้อริษอรอยมันสนุกสนานมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่นี่ให้ธรรมะยังอยู่ยังอยู่ที่เราด้วยแล้วก็ฝากคนอื่นเอาไว้ด้วยมันไม่เสียทีอย่างนี้เกิดมาเป็นคนเกิดมาชาติหนึ่งมันไม่เสียทีได้ช่วยเหลือศาสนาโดยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่ียกว่าได้ช่วย ซึ่งกันเลยกันอย่างนี้คือช่วยไม่ง่ายตายอ่ะเนี่ยแมือนเขาเพื่อนกําลังจมน้ําตายอยู่เราก็ช่วยไอ้ที่จมน้าตายจมตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยตายเพราะความยึดมั่นถือมันแล้วก็มีความทุกข์ทรมานเราก็จัดการเราก็จัดการถ้าเขาควางทุกข์เขาก็ปฏิบัติ ถ้าเขควางไม่ถูกเราก็พ้นวิสัยที่เราจะช่วยเนี่ยอย่างนี้เนี่เรื่องของวิญญาณเะฉะนั้นวิญญาณผีก็ไปจากวิญญาณคนนั่นแหละอ่าวิญญาณคนแต่คนที่มีปัญญามันยังไม่เป็นผีแต่มันก็เป็นผีอยู่นั่นแหละอที่หลอกหลอกอ่ะเจ ต, ตวิญญาณที่มันโง่ที่มันหลอกมันต้มมันตุนคนอื่นน่ะนั่นก็คือวิญญาณตัวนี้แหละ วิญญาณโง่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโจรก็ได้อกกาญาเจติดก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดจะโกงจะกินจะอะไรได้หมดวิญญาณตัวนี้ทางนั้นนี่ก็คือวิญญาณโลภวิญญาณโกรธวิญญาณโง่นี่วิญญาณตัวนี้ทางนั้นก็มันเห็นก็เกิดความโลภเกิดไม่ได้ดังใจก็เกิดความโกรธ วิญญาณตัวนี้ต่างนั้นทีนี้เราจะรู้ได้ก็ด้วยวิญญาณตัวนี้อีกนั่นแหละวิญญาณตัวนี้คือวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญาให้เราก็จะรู้จะรู้ครับถ้าวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญามันรู้แต่ประกอบด้วยความโ ง, ง่มันก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ถลําเข้าไปเนี่ยก็ช่วยเหลือใครได้อย่างเนี้ดังนั้นเราก็จะช่วยคนที่เราช่วยได้ คนที่เราช่วยไม่ได้เราก็ไม่ช่วยแต่ว่าก่อนอื่นเราทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้มีเลี้ยวมีแรงให้มีสติปัญญาที่สมควรที่จะช่วยผู้อื่นได้เราก็ปฏิบัติเองไปพรางช่วยเหลือผู้อื่นไปพรางมันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรอย่างนี้ นี่ให้เข้าใจว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณวิญญาณคือตัวความรู้สึกตารูปเกิ็จะกู่วิญญาณหูเสียงเกิดวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดวิญญาณขึ้นมาเกิดวิญญาณมันก็ไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนที่นี่วิญญาณเนี่แต่ไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนตารูปจะกู้วิญญาณอ่าทีนี้พอตามาเห็นรูป เกิดความรูจร้จึกก่ารูปนี้สวยเกิดปัจจาขึ้นมาแล้วรูปนี้เราปัจจามาแล้วพอปัจจามาแล้วอตามผู้หญิงคนนี้ไปดีกว่าไปตื้อผู้หญิงคนนี้หรือจะไปต้มไปตนผู้ชายคนนี้นั่นนี่มันมาแล้วพอเกิดปัจจาร์วิญญาณทํำไมเกิดปัจจาร์แค่เวทนาความพอใจไม่พอใจที่มันไล่ ย, ยิงกันกลางถน น, น มันไม่พอใจเห็นไหมนะวิญญาณที่มันไม่พอใจความรู้สึกที่มันไม่พอใจนะวิญญาณทำให้เกิดปัจจาร์พอปัจจาแล้วเพราะปัญญามันไม่มีนี่ก็มีเวทนาอย่างเดียวมันก็ไล่ยิงไล่ฆ่ากันนะพอไล่ยิงไล่ฆ่า ก, ก็แต่แล้วมันก็ไปนอนในคุกเนะนี่ยเห็นไหมวิญญาณดังนั้นนี่วิญญาณดัง ให้เรามาจัดการกับไอ้วิญญาณตัวนี้เนี่ยความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูเนี่ยแม้แต่วิญญาณที่ประกอบด้วยสติปัญญาก็ยึดมัน่นถือมันไม่ได้พระอรหันต์ก็แปลว่าเวน้นเวน้นเว้นก็คือไม่เอาอะไรทางนั้นแม้แต่ความฉลาดก็ไม่เอาความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เอาความเป็นปุถุชนก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทางนั้น นั่นคือว่างว่างไม่ยึดมั่นถือมันอะไรว่างนั่นนะพระลานก็มีวิญญาณแต่วิญญาณว่างของการมีคนหนึ่งเจ้าก็ศีรษะก็ศีษของคนที่ตายแล้วคนนี้พอกก็ลรู้เลยนี่ไปเกิดในสวรรค์นี่ไปเกิดนรกก่นนี้เป็นเปรต คนนี้เป็นอนาสุรกายไปเที่ยเคาะตัวบ้านตัวเมืองพอนนี้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออไปเอามาไปหัวกะโหลกแต่ว่าในหัวกะโหลกทีหัวนั้นมีหัวกะโหลกของป่าละหาันมอคนนี้ก็มาเคาะคนนี้เป็นเปรตคนนี้ไปเกิดเป็นนั้นเป็นนี้พอไปเคาะของป่าอะหาันไม่รู้ เห็นไหมว่าวิญญาณของท่านดับแล้วดับแล้ววิญญาณวิญญาณดับแล้วไม่รู้เอจะทํำยังไงจะได้รู้ไอ้วากระโหลกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอบวช ด, ดิแล้วเธอจะได้รู้เราจะสอนให้ไปไปม า, มาไอ้หมอคนนั้นเลยบวชปฏิบัติธรรมอยากจะรู้ว่าวิญญาณของพระอรหันต์ไปไหนตกลง บวชแล้วปฏิบัติเป็นพระอรหานเลยนั่นเห็นไหมไม่รู้หรอกว่าพระอาหานไปไหนเป็นธรรมชาติแล้วมันจะไปไหนแล้วทีนี้เป็นธรรมชาติที่ว่างกา ก, ากลัวตนหมดไม่ยึดมั่นถือวันอะไรหมดนี่แหละวิญญาณวิญญาณวิญญา ณ, ว, ญญาณวิญญาณดับดับตอนที่กำลังจะตายก็ได้ดับก่อนตายก็ได้แต่ว่าตายไปแล้วดับไม่ได้ดับไม่ได้ด ดับก่อนอ้าวก็จบแค่นี้วันนี้